เพศใดเพศนี้เป็นเพศที่หนึ่งมีหาทางพื่อออกจากทุกข์และเพศนี้ไม่คิดเพศไหนจะคิดมีคิดหนึ่งไม่คิดไม่กล้านำสิ่งนี้ออกมาผู้ต่อผู้เกี่ยวข้องเป็นประชาชนเป็นต้นเราคิดนะครับก็ไม่ผิดด้วยเราแน่ว่าไม่แน่ใจม่าไม่ผิด เราก็าพิจารณาทางเหตุทางผลแล้วสิ่งที่จะทําให้คนอื่นข้ามได้เราต้องค้านเราได้เนี่ยเพราะเราไม่ได้พิจารณาเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อความเข้าตัวจะนอกเหนือเหตุผลไปไหนไมันต้องเป็นไปตามเหตุผลว่าถูกก็ถูกเลยใช่ความเห็นแก่ตัวก็เป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นไปอย่างนั้นเจ้าของว่าถูก ส่นมามีแต่เจ้าของว่าถูกเจ้าของว่าดีเจ้าของดีกิริยาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกจากเจ้าของว่าถูกว่าดีทั้งนั้นนี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสพาเดินเดินอย่างนี้เพราะเคยเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่กับไหนกันไงแล้วกิเลสตัวนายจะไม่เห็นแก่ตัวมีเหรอเห็นแก่ตัวทั้งนั้นก็คือเรื่องของกิเลสนันก็คือตัวกิเลสนันแหละคือความเห็นแก่ตัวเมื่อมีอยู่ในจิตใจของสัตว์ของบุคคลทำไมสัตว์บุคคลจะไม่เห็นแก่ตัวแล้ะจะ ความเห็นแก่ตัวจะไม่ปิดให้มืดมิดทางเหตุผลไปได้ยังไงเห็ุผลจึงไม่มีได้เพราะกิเลสนี้มันปิดออกแสดงออกเป็นความเห็นแก่ตัวเลยมองเห็นแต่เรื่องของตัวทั้งหมดเหมือนโลกนี้ไม่ไม่มีหัวใจคนด้วยการก็เหมือนเขาเป็นอะไรเป็นคนประเภทหนึ่งนอกแต่จากเราเราเป็นคนพิเศษไปกลาเป็นภาพหรือเป็นภาพพิเศษไปเพราะ เรเหล็กตัวนี้มันปิดบังให้เป็นความเห็นแฉะตัวคนนั้นแฉ่ตัวม่านเพรามันที่มันแสดงออกไปก็คือความห็นแฉ่ตัวมันอยู่ภายในเป็นตัวของมันแสดงออกมาภายนอกก็เป็นม่านกั้นไว้ความเห็นแฉ่ตัวเห็นแฉ่ตัวอเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็มองหาความผิดอของเจ้าของไม่เจอเพราะไม่มองถูกสิ่งนี้มันผักดันออกไปให้มองตั้แต่ข้างนอกไม่มองย้อนหลังเข้ามาไม่รู้ได้ยังไง ผิดถูกทั้งๆ ท, ที่มีเต็มหัวใจมันก็ไม่รู้เพราะไม่ดูนี่ถ้าเป็นเรื่องทำแล้วดูรอบไปหมดไม่ได้ยกตนขึ้นมาเป็นพิเศษยิ่งกว่าผู้หนึ่งผู้ใดและสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องเป็นเหตุผลโดนวนอางฟาดลงไปจิติตให้มันบริสุทธิ์อ้างตนลกจิตง ล, งลงบริสุทธิ์แล้วมีอะไรอยู่ที่ทนั่นมีไหมมีเรามีของเรามีความ เ, เห็นแก่ตัวที่ไหนได้จึงได้เห็นชัดเจนว่ากิเลสเท่านั้น ที่สแสดงมาทุกอกัปคิริยาให้มันเป็นการกระทบ ก, กระเทือนแก่ทั้งเบื้องต้นก็คือแกตนเองแล้วก็แก่ผู้เกี่ยวข้องมากน้อยหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวข้องไปหมดกระเทือนไปหมดเพราะความหนึ่งแต่ตัวมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่เลยพาการพิจนารณาด้วยถ้ายังจิตยังไม่เหนือสติปัญญายังไม่เหนือธรรมยังไม่เหนือไม่เห็นมันมันสลับซับซ้อนมันละเอียด สุขุมมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ก็คือกิเลสนะมันถึงได้ครองโลกความรู้ความเห็นความคิดต่างๆถูกหมดดีหมดใครจะเป็นเทวดามาจากไหนต้องไม่ดีทางนั้นสู้เจ้าของไม่ได้อืผลในสุดแม่ตะครูบาอาจารย์มันยังจะมีเงี้ยมันอีกพระพุทธเจ้ามันก็ยังต้องขานว่ากิเลสมันเป็นค่าศึกกับทุกสิ่งทุกอย่างไป ขึ้นชื่อว่าความถูกต้องผู้ถูกต้องนันงถือเป็นค่าสุดทั้งนั้นเนี่ยมันดึงนึงลำบากผู้ปฏิบัติธรรมโย ก, กศัสดาขึ้นมาทรงอนุญาตสิ่งใดนี่ผลท้อมแล้วทรงบวกลบคูณหารโดยสมบูรณ์แล้วส่วนได้มากได้น้อยเสียมากเสียน้อยเทียบเคียงทุกสัตว์ทุกส่วนเนีวยควรจะออกช่องไหน ที่มีส่วนได้มากกว่ากันสมมติว่าหลีกไม่ได้เอาที่ผลรายได้มากกว่าให้ไปทางนั้นไปทางได้แต่ทางเสียไม่ยอมไปเลยไม่ส่งอนุญาตด้วยถ้าเป็นทางเสียนี <c oughs> ่นะชาสดามีเรามีเขาทีไหนมีแต่ทำนวลล้วนในพระทัทยของท่านพอเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเคยรู้จิตประเภทนั้นเป็นยังไงเราเคยเห็นตั้งแต่ทุกค้าวขันดุกับสิ่งที่สกัทธาตกโสมงมเป็นมูดเป็นคูด เต็มอยู่หัวใจนี่มูดพูดได้แกี่อะไรฮะถ้าไม่ใช่ได้จแกที่เละจะได้แกี่อะไรนี่นล้วเราจะไปเห็นอะไรก็เห็นแต่อันนี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้ไม่ต้องคลุกคล้าวกันนีพ่พอใจแสดงมาท่าไหนพอใจทั้งนั้นอเพราะการแสดงออกนั้นเป็นความพอใจของตัวกี่เละอยู่แล้วเราอยู่ใต้อนาจมันเราไม่พอใจมันได้ไงเพราะเราไม่ฉลาดเหมือนที่เละนี่ ถ้าเรามีความฉลาดเนือ้อจิตเล็ดก็ทราบกันทันทีกันทียังได้กล่าวเสมอว่าทําจิตให้ทุ่ทงตัวให้บริสุรรทธิ์ปราจิตเลดซึ่งเป็นตัวร้อยเลดบร้ ย, รยเหลี่ยมร้อยสันพันในพันคม อ, ออกให้หมดจากจิตใจด้วย น, นั้นอยู่ในจิตใจของไม่ว่าของบุคคลแม้แต่ของอยู่กับสัตว์ก็รู้กิริยาที่แสดงออกมานั้นคือกิเลสประเภทนั้นประเภทนั้นประเภทนั้นซึ่งเคยครอบหัวใจเรา เยียบย่ำทำลายให้ใจของเรามาพอแล้วนี่ถูกขับออกไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วทําไมจะไม่รู้มันอยู่กับหัวใจของเราเพราะมันอยู่ ม, มันเหมือนกันนี่การออกสแสดงออกมาจะไม่รู้ได้อย่างไรถึงรู้ได้อย่างชัดชาติเอเนื้อแล้วต้องรู้ถ้าไม่เหนือไม่รู้มีการตริดพระพุทธเจ้าทรงรวมผ่อนผันสรงคลโลกสงสารกว่านนีนว่า โล ก, กคือคนมีหัวใจจัดมีหัวใจที่จะคนสมเพลอได้ขนาดใด้นก็สงเพาอไปเพราะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทของพระองค์จึงต้องการกรองด้วยหลักธรรมหลักวินัยให้มีขอบมีเขตเป็นเครื่องบังคับบัญชาคาว่าบังคับบัญชาก็คือบังบังคับบัญชาความชั่วที่มันมีอยู่ในนั้นแหละที่มันจะแสดงออกหาไรายได้ของมัน มาเพิ่มเข้าภายในความคิดภายในการพูดการกระทําการแสดงออกทั้งหลายหาอะไรได้ยิเลศมันหาหลายได้มาเพิ่มเข้ามาแล้วก็มาเหยียบหัวใจเพราะนั่นจริงต้องใช้หลักธรรมในวินัยบังคับเข้าไปคือบางคับสิ่งเหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่กับเราก็ต้องบังคับเราไม่บังคับเราบังคับอะไรไม่ยิเลศเหล่านี้อยู่กับเราเนียสั่งเลยผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ความวละเอียดละออใช่ไห ม, ม มันชัดแต่ว่าอยู่อยู่เฉยเฉยไม่คิดไม่อ่านนี่สอนหนูเพื่อนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มทัติดกําลังความสามารถไม่เพียงมาสอนแบบเปาเปาสอนเฉยเฉยรับหมูเพื่อนมาไว้รายใดก็ตามเรารับไว้เพื่ออบรมสั่งสอนเดื่อความเห็นใจสุนขอนัตตันความเมตตาสงสารใจท่านใจเราการสหาครูหาอาจารย์หาหาธรรมเป็นประเภทเดียวกันหรือเป็นชนิดเดียวกันเป็นเจตนาอันเดียวกันกันกบเรา ที่เคยเป็นมาแล้วนะเอาเรานั่นแหละออกเทียบหมู่เพื่อนจึงต้องถูไถกันไปหนักบ้างเบาบ้างแบกห า, า, า, ามกันนไปานนาการสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมจะดูด่าว่ากล่าวหนักเบาขนาดไหนตีเลยดของท่าทั้งมันไม่ใช่ตีท่านี่ถ้ามาหาความงามมหาความดีมาหาธรรมตีอะไรตีเลยดที่มันทําลายท่าลเลยบกพร่องตรงไหนมันต่อยเอาต่อยเอามองเห็นอยู่นี่ ได้ยินอยู่นี่กิริยาที่แสดงออกทั้งหทาพูดคําจ่ากิริยาอาการของกายที่ไหวออกมาออกมาจากอะไรออกมาจากความผิดความผิดนั้นมันเป็นอะไรเนี่คือมาเป็นยี่เหล่อมันจะเป็นอะไรเพราะมันสังอยู่แล้วนั่นมันเคยเป็นนิสัยสันดานมันแสดงออกมาจากอ น, นั้นได้ปก็ไปตรงนั้น เมื่อถูกยิ่งเล็ดตรงนั้นผู้ตั้งใจพระธรรมก็รู้ช่องผิดก็รู้ผิดถูกของตัวเองแล้วก็รู้ช่องทางที่จะแก้ไขกันไปโดยลำดับมันมีมวลไปไหนเราก็ลังเปิดเผยตัวตนให้ฟังเพราะเรารักเราสมวนพระผู้มุ่งหวัดมุง่งทำเราไมนได่รักไม่ได้สมวนอะไรอจ้าตัวประจายทาธทานเป็นสิ่งที่อาศัยเพียงเลกน้อยแต่วันหนึ่งึ้น พ อ, อยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อการมันเป็นจะมาทำในความสะดวกเทราะนั้นถึว่าอาศัยอาศัยนิสัยสีตังนี้อืมมันบอกว่าแนละ้วตั้งแต่วันบวชจริงอาศัยปัจจัยเครื่องอุดหนุนถกแปรตามนั่นก็อยู่เครื่องอุดหนุนเครื่องสืบต่อกันไปทําเป็นเรื่องใหญ่ เปนหลักเป็นเกณฑ์เป็นกันอันสาคัญที่เราต้องการเพื่อให้เป็นความสะดวกในการบาเพ็ญเพื่อทําเหล่านี้นะทําให้ฉลาดถึงนั้นก็มาเหย่าย่ําทํำลายเพราะตัวที่จะพาให้เคลื่อนไหวพาให้เป็นไปพาให้ขนฝ้ายพาให้ยินดีพาให้ติดก็คือเรื่องของยิ่งเลนนะม่ใช่เรื่องของทำถ้าทําแล้วไม่ติดอืม ติดอะไรทำสอนให้แก้ให้ละให้ถอนให้ถอนทางนั้นติดอะไรนี่เลยมันเป็นเรื่องติดอยู่แล้วโดวยปกติยูมก็ติดแสดงออกมันก็ติดกิริยาการทุกสิ่ทุกอย่างติดทั้งนั้นถ้าเป็นของจจเล่ผิดอีก ด, ด้วยติดด้วยผิดด้วยจึงต้องใช้ความเป็นนิสัยพิจารณาความตามสบายสบายอันใดก็าตามให้เพิงทราบวันนี้แหละหลักใหญ่ของมัน ฝังนิสัยพันดานหนึ่งลึกมากนะจึงต้องได้ฝืนฝืนทุกระยะผู้ปฏิบัติธรรมหาความอยู่สบายไม่ได้เพราะต้องต่อสู้กับพิเดฝืนกับพิเดอกตลอดไมนะ่เลียนยาฝืนกันยาต่อสู้กันหนักนี่ยากระบาดทลายต่อสู้กับกระบาดลำดับลำนัะได้ความสบายอะไรก็เมื่ออยู่บนเวทีหาความสบายมาจากที่ไหนนักมวยต่อยกันแม้แต่ขนาดที่ให้น้ําก็หาความสบายที่ไหน ทาง น, นี้อันนี้เราขึ้นเบทีแล้วเป็นผู้ตั้งใจต่อพู้ปฏิบัติธรรมแล้หลัตัว น, นมาบวชในพุทธศาสนาก็คือเพียนักรบกมันจะหาความสะดวกสบายแต่ตามกิเลสเราก็ไม่ต้องมาบวชกันไม่ต้องมาฝืนกันปล่อยให้เกล็ดมันถูถ่ทหรือถลอกปอกเปิดแขนขาขาดก ร, กระจายไปหรือจะลายควายอมอนสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือแหลกสปหมดทั้งล่าง อจะวางไงการศืน <c oughs> เพื่อการจุดการลากตัวออกมาให้พ้นไผ่ต่างหาเพราะฉะนั้นจริงต้องฝืนการการปราามความเพียรการรักษาสติตั้งตั้งสติให้ดีพิณิพิณารทางนานด้านปัญญามีแต่ท่าต่อสู้มีแต่าปลดเครื่องทิยาการปลดเครื่องทิยาการต่อสู้ก็ยอมรับกันมาทุกข์แต่ผลที่จะพึงได้จากนี้ก็คือธรรมนั่นคือ ความสบายไปโดยลาดับเั็นแต่ขั้นต่อสู้เรื่องความพุ่งสร้างลาคาญของจิตที่เป็นนิสัยออกมาจากพิเลศเป็นเจ้าเรือนมันก็จะต้องลาบากกว่าจะได้รับความสงบเย็นใจแต่ละขั้นละข่าวขั้นเริ่มแรกของการติดติดใจมันต้องลาบากพิเรศมันอยู่เปนสุขไม่ได้ ต้องดิ้นของมันแล้วมันอยู่ในจิตจะให้จิตดิ้นยังไงเรื่องจิตมีอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวโยงกัน ต, ตาหูจมูกลิ้นกายแสดงมาทางา ต, ตาทางหูจมูกลิ้นกายแสดงไปข้างนอกไปสัมผัสอะมาข้างนอกรูปเสียงกับรเครื่องสัมผัสผัวพันกันน่นเรื่อยมันดิ้นอย่างนั้นแล้วผลได้มามันมีอะไรีแต่ความรูค้ความร้อ น, นการต่อสู้เพื่อจะ ให้ได้ชนะให้ด้อยู่ความสงบทำถ้าเข้าสู่ใจมากน้อยแสดงความสงบให้เห็นอืความสงบความเย็นใจสบายใจนี่คือทำต่อสู้ทำปรุงศาตรบุญวายได้มากน้อยเพราะเป็นความสงบลงโดยลําดับนั่นเป็นธรรมเป็นธรรมโดยลำดับนี่คือผลของการต่อสู้เป็นอย่างนี้แต่นั้นก็ขยับขยายงานออกไป ไล่ตีต้อนกิเลสให้เข้ามาจุดรวมคือจิตสงบกิเลสมัน ก, ก็สงบตัวไม่แช่กิเลสตายนะหนึ่งอย่างขั้นสมาธิสงบตัวเข้ามากิเลสสงบเพราะถูกตีถูกต้อนเข้ามาด้วยการต่อสู้กันแต่นั้นก็คลี่คายมากิเลสตัวไหนมันเด่นไปทางไหนทางไหนทีนี้ปัญญาตามกันคลี่คลายาไปอ้าว มันติดอะไรที่มันเด่นที่สุดภายในจิตนี้เนี่ยฉินว่าทัดตันหาเป็นต้นอมันติดอะไรอันนั้นคืออะไร่ยแยกแยกไปแล้วดูที่มันติดซะก่อนมันไปติดอะไรมันไปรับไปชอบอะไรสิ่งนั้นคืออะไรคลี่คลายออกดูให้เห็นชัดเจนย้อนเข้า ม, มาอีกเอามาดูกายนี้ดูกายอันนั้นดูรูปอันนี้ดูรูปอันนั้นมัน ก็เหมือนกันแต่เมื่อเหมือนกันเมื่อมันรู้ชัดนะมันก็ถอยตัวเข้ามาแล้วจนกระทั่งมันได้ที่แล้วสติปัญญาพอแล้วมันก็สนับกันได้เมื่อสติปัญญาพอแล้วสนับกันได้หลังนี้เป็นต้นปัญญาเรือ่องส่วนใหญ่ได้แก่กาย ถ้าปัญนาส่วนใหญ่า ก, ก็เกี่ยวกับเรื่องกายกายนอกกายในเราพิจารณาจยกแยะให้เห็นความจริงทั้งด้านนอกด้านในได้เท่าเทียมกันเสมอกันแล้วมันจะยึดจะถือจะรับแต่ชอบไปไหนมันก็หาเองนีนะ่ปัญญาไปตรงไหนมันจึงขาดไปเรื่อยๆปัญญาแต่มีเต็มที่ตัดปัญลงขาดจะบันน่นเนาะเต็มที่เป็ น, นส่วนๆส่วน ัำ ไ, ไมได้ไประชุมนานเพราะผมสุขภาพไม่ค่อยดีเพียงจะรักษาจะขออยู่ก็ลำบากบางวันืูเฉินก็เป็นถ้าอากาศร้อนๆมักเป็นเสมอมระมัดระวังสก่อนเขาประชุมอยู่เสมอเสมอเหนี่ยความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันเครื่องใช้มันไม่สมบูรณ์มันตำนุดทุตสมก็ต้องาอารมณ์ไปหูเพื่อนมาพึ่งพาอาศัยกอก็ทราบทาไมไม่ทราบ เพราะเคยอยู่กับหมู่กับเพื่อนมาเป็นเวลานานแล้วที่ออกมาสู่สังคมนี่มันก็เริ่มสเกือบสามสิบปีแล้วทำไมก็ไม่ทราบพืยอรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมามากมากเพียงไรก็รู้กันอยู่แล้วเวลามันทำรุ่งชุ่มรงมําเป็นต้องได้พักผ่อนแม่แต่งานภายนอกก็ไม่เอาถา้ไม่จำเป็นจริงๆและสุขภาพ ไม่พอรับได้เราก็ไม่รับไม่ไปล่อยให้เพราะฉะนั้นหนูเพื่อนที่มาอบรมศึกษาต้องพากันตั้งจิตตั้งใจให้ดีอุบายคนมายาของที่เหลนนี่แหลมคมดังที่กล่าวมานั้นแหละอขอให้จะจมลงไปกับมันอยู่เรื่อยๆโดยมารู้สึกตัวนะทำอะไรพอไม่สะดวกสบายบ้างเช่นประกอบความเพียนลังคั บ, บจิตใจฝืนกันอย่างนี้ ไม่อยากฝืนเพราะเห็นว่าเป็นทุกข์นอนจมอยู่กับมันเป็นกลับเป็นกันไปดีกว่าแล้วแต่มันจะเอาขึ้นเสียงไหนจะสับจะฟันลงไปก็ เ, เป็นหน้าที่ของมัน น, น, นั่นเห็นว่าสบายดีมันเห็นว่าสบายดีเฉยมันไม่สบายถ้าสบายใครก็ต้องการความสบายด้วยกันทั้งนั้นโลกอนี้แม้วุ้ยเจ้าสสเสด็จออกลงผนวดก็เพื่อความสุขแต่เห็นว่าสี่งนี้ ให้ความสุขให้แค่นั้นมีความทุกข์มากให้ความสุขยังเล็กน้อยพอเป็นเครื่องหลอกผิวเผินเท่านั้นจึงต้องสอดแสรงหาสิ่งที่จริงที่จังไม่หลอกไม่ลวงไม่มีสิ่งเพื่อแฝงเรื่องธรรมต้องสอดแสรงหาธรรมทำไมใช้สติปัญญาใั้มากๆไม่ทันมานาันนะทีเหล็กนะแม้จะเพียรขิ่สงบก็สงบได้ยากหรือสงบไม่ได้ มราปราศจากความตั้งใจความจดต่อด้วยสติสตังแล้วเพราะกิเลสมันไม่มีเวลาอ่อนข้อยอ่ยอหย่อนแข็งปังยิ่งนั้นตลอดแต่ว่ายิ่งยิ่งเราอ่อนเท่าไรมันยิ่งแข็งถ้าเราแข็งนะมันก็เริ่มอ่อนลงเนี่เราลำใหญ่มีตรงนี้พ า, ากันพิเจรินาให้ดีขั้นเริ่มต้นเนี้ การถูไถ่าลูกคุกคามนี่แหละมันส่วนมากไปไม่ค่อยรอด่ อ, อดจุกลางมหาสมุติมหานิยมไปเสียโลกก็นิยมม่าอะไรดีก่็ดีไปเสียลืมตัวไปเสียทำว่าดีไม่ยอมฟังอนักปรัชญาอุปนิสุทธิ์ว่าดีไม่ยอมฟังว่าสุขไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อมันทำเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหนละ ไม่ใช่เราจะตั้งใจไม่เชื่อเราจะตั้งใจคัดค้านแต่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่กล่อมหัวใจอยู่นั้นไม่ให้เชื่อให้ฝืนเนี่ยให้ฝืนทำเนื้อจะเจอความสุขตามปราดท่านแสดงไว้ได้อย่างไงเพราะท่านท่านทำอย่างนั้นท่านถึงได้รู้อย่างนั้นถึงได้พูดอย่างนั้นถ้าไม่ทำแบบเรา รู้แบบเรารู้แบบเรากับรู้แบบท่านมันผิดกันสุขแบบเรากับสุขของท่านมันผิดกันสุขแบบเราเนี่ยมันอยู่ปลายเบ็ดนั่นแนะ่ะความสุขของเรานะ่ะความสุขอยู่ปลายเบ็ดแล้วยังไงเหยื่อล่อปลาหงับเหยื่อเข้าไปเบ็ดก็ติดพร้อมกันเลยนี่งับไปตรงไหนก็ติดพร้อมติดพร้อมมีขึ้นชื่อว่าโลกามตเป็นเครื่องเครื่องแสงของยี่เหล่ แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหยื่อนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารเหยื่อนี้เหยื่อล่อจึงต้องระาวาังกันปฏิบัติเ ท, ท่านั้นจะระาวาังได้กําลังวางช้างเราเคยทุ่นเทในงานอื่นๆเราทุ่มมาพอแล้วความคิดความตรุงอะไรก็คิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้คนหน้าจะเอามาพินิตพิจารณา แยกแะเทียบเคียงกันให้พอมีแง่หนักเบาซึ่งควรจะไปในแง่ใดได้บ้างแล้วหรือได้แล้วเชียอได้อะไรเนึ่งความเกิดตายอันนี้มันอยู่บนเสียงของจิเลสทั้งนั้นแหละจะให้นอกออกนอ ก, ออกจากเสียงมันไม่อยากไปถูกกลมอยู่นั่น เจ้าของนั่นแหละเป็นผู้ที่จะถูดล่าเจ้าของครูบาอาจารย์เป็นแต่ผู้ให้ผู้บายแนะนําสั่งสอนสอหาอุบายพริกถ้าจิตอ่อนแอนแล้วพริกหาอุบายใหม่หาอุบายใหม่นั่นนะ่ะการปฏิบัติตัวเองจะเห็นว่าวันนี้ได้ผลนี้วันวานได้ผลนี้แล้วจะอุบายนั้นมา้าทาั้งทๆที่มันจุดจุดช่วยชวยไปแล้วนั่นมันเป็นอดีตไปแล้วอุบายใดที่ควรจะ ฟิตตัวให้คืงขังตึงตังในเวลานั้นต้องพลิกหานะไม่งั้นไม่ได้ไม่ทันคนมายาเลยแล้วก็ไม่สงบอบาปัญญาล่ะสำคัญเคยทำมาอย่างนั้นอย่างน้อยให้ได้ความสงบถึงจะมีโลกอยู่พูดง่าย ใจสงบพออยู่ได้มนุุ่นเราพะเาถ้าไม่สงบเลยนี่ร้อนเป็นฝืนเป็นไฟเห็นอะไรก็เป็นไฟไปด้วยเพราะกิเลสพาเป็นไฟแม้ที่สุดเห็นกูบาอาจารย์ก็หมดความเคารพเรื่องสายเวยชาไปหมดเห็นไม่ล่ะพอมีอะไรขึ้นพารกิจซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากน้อยอันนี้พอเป็นที่ยับยังพอเป็นที่อาศัยแล้วมองดูข้างนอกมันก็ เป็นลักษณะเดียวกันเห็นหมู่เพื่อนเป็นหมู่พเพื่อนเห็นครูในการเป็นที่เคารพจนสายขึ้นไปโดยลำดับหนดับของทางจิตละเอียดเท่าไรความเคารพความเชื่อถือครูบาอาจารย์ยิ่งหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าหนักหนั ก, นกแม้ที่สุดพระพุทธเจ้าปรินิพานไปอีกพระองค์ละนานเท่าไหร่ประมวลเข้ามาสู่จุดเดียวกันหมดลงอย่างราบเลยน่ะ้าให้มีอะไรมาฝืนแล้วมันก็ลงได้อย่างราบราบนี่มีแต่คิดเห็ทั้งนั้นฝืน ไม่ทราบกัน้พยายามทําให้มีสงบบังคับเจ้มือมีความสงบได้แล้วก็ให้ทางพิจารณาทางด้านปัญญาสงบแค่ใดก็เป็นฐานเป็นอืนมาเป็นฐานของปัญญาขั้นนั้นขั้นนั้นพอได้ต้นทุนคือสมาธิแล้วก็เริ่มปัญญาให้เป็นต้นทุนทางด้านปัญญาอีกทีนี้ความดูดดื่ม จะผิดกันไปโดยลําดับข้ามดยดดืด่มทางสมาธิเป็นอย่างนี้ค้ามโดยดื่ทางด้านปัญญาเป็นอย่างนั้นผิดแปกกันไปได้ด้วยเพราะปัญญานี้งก้าวออกไปเรื่อยกว้างขวางไปเรื่อยชั่ม น, นิชั่ม น, นานไปเรื่อยคล่องตัวไปเรื่อยๆจิตใจก็ดิบขึ้นดิบขึ้นเห็นรู้ได้อย่างชาัดว่ากิเลสตัวใดได้ขาดไปด้วยปัญญาเป็นว่าเป็นตอนขาดไปโดยลําดับดับรู้รู้นี่ที่นี่เมื่อจิต ได้ผลปรากฏขึ้นมาเป็นกิตที่มีคุณค่าโดยระมัด แ, บบแล้วทําไมจะไม่ขยับทําไมจะไม่มีแก่ใจคนเราต้องมีแก่ใจความขยันหมั่นเพียรเป็นมาเป็นมาเองทีเดียวนี่ความคิดว่าลํำบากลําบนแต่ก่อนไม่มีแล้วนิมีแตความหมุนตัวตื้วติ้วเรือความคิดปีนี้พิจารณาเพื่อแก้เพื่อถอดถอนที่เหลือสิ่งที่ได้แล้วมากน้อยเพียงไรมันเป็นเครื่องดูดดื่ม เป็นเครื่องไว้อกไว้ใจเป็ที่อบอุ่นในใจมันไม่เหมือนสิ่งที่อยู่ด้วยกันแต่ก่อนซึ่งเป็นพิษเป็นภัยมากน้อยตามส่วนเหมือนความมีของหมันเห็นนั้นก็หมุนไปเลยเอาจนกระทั่งถึงได้ล้างเอาไว้หนึ่นันแห ล, ละถึงขั้นทำเนียมหน้ามากกว่าที่เลรพล้างเอาไว้พิเรพที่เคยเพ่นพ่านหมอบเหมือนกับว่าหายหน้าไปหมดความจริงไม่หมอด ใครจะชนดยิ่งกว่าพี่เลกก็ต้องหมอะแล้วสิถูกสติปัญญาสติธรรมปัญญาธรรมฟาดกันลงไปมีเป็นธรรมฝ่ายเหตุสติปัญญาแก้กันลงไปแก้กันลงไปคุยเฉียวขุดค้นขึ้นมาอยู่ตรงไหน <c oughs> กําลังของความเพียรเป็นอัตโนมัติอสติปัญญาเป็นอัตโนมัติความเพียรเป็นอัตโนมัติความรุ้ษาพยายามกลายเป็นอัตโนมัติปะจามกันหมด เลยไม่เลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้นํามาช้านะครับมาอุตสาห์พยายามคืออุตสาห์นี่คุณได้แคฝืนฝืนลงไปอุตสาห์ลงไปอุตสาห์เธออุตสาห์ถึงนี่ไม่มีอย่างนั้นมีแต่ฉันทอืะฉันทะวิริยะนี่ยิ่งตามกันอืมความพอใจพอใจพอใจนี่ก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมีกําลังมากเข้าไปโดยลำดับแล้วจะลั่งได้จะจะจะมานอนใจอยู่ได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้น ถ้าไม่พุ่งทะลุสติอย่างเดียวแล้วไม่มีที่อยู่ถอยมาไม่ได้ฟืนไฟเราเคยเผาเรามาแล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดเห็นอยู่ที่หัวใจนี่เวลานี้เราจะออกจากฟื้นจากไฟแก้ฟืนแก้แกไฟที่เหลือเป็นตัวไฟลาขัตินาโพสักินาหมวกินาเป็นไฟทั้งนั้นอืมเป็นน้ําดับไฟด้วยต่สติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนกลายเป็นน้ําดับไฟดับลงไปดับตรงไปใครจะไปโดดเข้าไปกองไฟอีกนอกจาก ดับตรงที่มันมอดไม่มีเลยมันโล่ไปหมดนะอ ะ, อะไรที่มี ม, มายุ่แย่ก่อควรยุกๆแยบๆมีอะไรไม่มีเหมืนที่นี่มันก็เห็นในชาติที่อ๋อมีกิเลสนี่เท่า น, านั้นจิตควรอยู่ภายในจิตใจ บีบคั้นจิตใจเพราะอันนี้หมดไปแล้วไม่เห็นมีอะไรวัตถุสิ่งของทั่วโลกธาตุก็ไม่เห็นเข้ามาเป็นภัยอะไรกับเราก็มีแต่มเมล็ดที่มันทําให้คิดจูงหยิยต์ให้ถือมัดกันอยู่ภายในจิตใจนี่บีบคัน้นไว้แต่นี่เท่านั้นเป็นตัวไขยเป็นตัวผิดเพราะ อ, อ น, นี้หมดไปแล้วเห็นมีอะไรเป็นตัวผิดไม่มีหมด การประกอบความเพลี่ยนทำนี้เป็นจะเด่นอยู่ที่ใจนะ่ะไม่เด่นที่อื่นกิเลสอยู่ตรงไหนนี่ทนี้เหมือนกับจมมิรแต่อยู่ใต้กิเลสนั่นแหละกิเลสครอบอยู่นั้นเพรา ะ, ะนั้นจึงต้องเปิดออ ก, เ ป, ออกเปิดออกด้วยความเพียนเปิดดอกออกด้วยอุบายวิถีทั้งต้นเคยเป็นฟุตบอลให้ จิตมันกเลสมันแตกตรงนี้แตกตรงนี้มันก็สงบตัวเข้ามาได้พอสงบได้ก็เย็นพอเย็นแล้วเอาปัญญาพิจารณาลงไปข้างนอกก็าตามข้างในก็าตามติดตรงไหนสัมผัสสัมพันธ์อะไรพอใจกับสิ่งหนเอานั้นมาพิจารณามันเป็นที่แน่ใจแน่ใจแล้วปล่อยเอง ลงปัญญาได้เข้าถึงเป็นที่แล้วไม่มีอะไรจะอยู่ได้ต่อยทั้งนั้นไม่ยืดเฮเดอลองกับทำยังเนยืดป่ะเห็น อ, อย่างความบริสุทธิ์ท่านยืดอะไรของท่านผู้ท่านบริสุทธิ์ได้ท่านเอาอะไรไปยืดท่านไปยืดอะไรเรื่องยืดเป็ น, นเรื่องทีเล็กต่างหากทำไม่ยืดรู้ตามเป็นจริง น, นัต่างอันต่างจริงเท่านั้นอึงจะยกขึ้นมาว่าเราวิเศษวิสูจน์กว่ากันไปอย่าง น, นั้นแหละโลกมันี้สมมุติคําว่าไปท่านว่ากันก็ไม่ติด ไม่ติดในคำว่าวิเศษวิโสไม่ติดคำว่าบริสุทธิ์ไม่ติดในคำว่าพ้นทุกข์ท่าไม่ติดทั้งนั้นเราให้ชื่อว่าพอก็พอพ อ, อิ่มตัวแล้วที่นี่ปิดอิ่มตัวเต็มที่แล้วดีเข้ามากับชั่วเข้ามาก็มีน้ำหนักเท่ากันเพราะอันนี้เป็นสมมติดีชั่วปุญญาปาปะเนี่ยบาป บ, บุญคือดีชั่วสุขทุกข์ ไปที่หนะ่ละหมดแล้วไม่มีเหลือบรรดาสมมติจะละเอียดแค่ไหนก็หมดมถึงจะสบายละถิงความเพียรที่เคยประเกียร์จักรมาแทบล้มแทบตายหรือว่าแทบจะสลบสลายก็มาแสดงคุ้มค่าให้เห็นชัดเจนอยู่กับผลการทำที่ได้ปรากฏอยู่กับใจนั่นแหละแล้วคุ้มค่าล้นค่าด้วย ทำไม่ทําอย่างนั้นไม่จะเกียรติการอย่างนั้นไม่ยอมเสียสละจิตวิจัยเพื่อทำก็ไม่ปรากฏทําอย่างนี้มันย้อนหลังเวลาพิจารณาย้อนหลังก็ภูมใจอย่ที่นาย้อนหลังไปไหนเห็นทั้งแต่เรื่องกิเลสมัดคอวนี่นั่งหนูมันก็มัดนอนอยู่มันก็มัดขบฉันหนูมันก็มัดจิเรยาท่าทางไหนมีแต่เห็นกิเลสมัดกิเลสต่อยล่อมลุกคลั่งเนี่ยพมันทุเล็กนะฟังยิ่งยัง ผูเป็นหัวหน้าด้แล้วบางทีทําให้หนักใจนะทําให้เกิดความละอายใจเหมือนกันอีกอย่างหนงกันคือสอนสอนจริงจริงที่เด็กอยู่จุดไหนสอนเข้าไปตรงนั้นตอช่วยเข้าไปตรงนั้นยังไม่รู้เลยต่ออย่างนั้นี่ยังไม่ต่อยอยู่มองไปไหนไม่ว่าทางหูทางตาเห็นแต่เรื่องของที่เด็มันออรัดเอาเปรียบหัวใจอยู่ตลอด กิการกแสดงออกมานั้นเป็นกิจกาของกิเลสได้เกลือบเราอยู่เสมอเราไม่รอบมันนิดียมันมัดเราอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้สิมันทําให้เกิดความท้อใจในบางครั้งต น, นกันเพราะสมมุติเอามาเอาสมมติมารับสมมุติเนี่ยจะทำยังไงเพียงเท่านี้ก็ไม่ได้ความเท่านี้ก็ไม่เข้าใจนั้นล ะ, ะเอียดยิ่งไปกว่านี้มีอยู่มากมายเรื่องความะล ะ, ะเอียดของกิเลสแลาวจะอะไรไปรู้เนี่ย เงีายบาๆนี่ยังไม่ทันมันอยู่แล้วอย่างพากันตั้งใจเอากินเอาจังอยาวังอะไรในโลกนี้หวงังธรรมนั่นผู้ใดเป็นผู้ครองธรรมอันเลิศพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันท่าน ทุกๆพระองค์เป็นผู้ครองธรรมนี้โดยสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราจงยึดทั้งวิธีการปฏิบัติทท่านมาอย่างนั้นอย่างนั้นยึดทั้งผลทองท่านที่เพื่อเป็นความภาคภูมิใจเราและเป็นกําลังใจเพิ่มกําลังใจเราเราเอย่าอะไรมาเป็นแบบเป็นฉบาับคนมีกิเลสเอามาเป็นแบบฉบับได้ยังไงมันก็จะเอากิเลสมาปโปะเอานี่ ไปยึดเอากรเข้ากับเอาเิเมาโปเอาโปเอาถท่านผู้บริสุทธิ์มาเป็นคติตัวอย่างมายึดมาฝากเป็นฝากตายความพลาดพิงทุกสิ่งทุกอย่างกับท่านเป็นธรรมทั้ง น, นั้นเหมือนอยู่ใกล้แสนไกลนี่ยสํงหรับผลนิพพานเหมือนสุดเอื้อม อืมหรือเราค่าเป็นยังน้นกิจของเราค่าไปเหมือนสุดเอื้อมเหมือนหมดวาสนาอะไรกันแน่หมดความสามารถที่จะเรื่มถึงก็อยู่ที่หัวใจนั้นแท้แทอืมอบายวิธีก็อยู่กับเราอีกแล้วไกลที่ไหนแต่กิเลสเอาเราช้ายอยู่ตลอดเวลาเอาเราเป็นเครื่องมือช้าต่อเวลาเราไม่เห็นว่า มันไกลมันใกล้ล่ะที่เลหอือไม่เห็นคำหนึงถึงมันบ้างคิดเอามาเปรียบเทียบกันบ้างเพื่อมีทางออกแล้วที่เหลือมันอยู่ที่ไหนทำไมมันถึงแบบว่ะจนหลังหักหลังจากหักมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจมันจะสลัดอันนี้ออกซึ่งอยู่กับตัวแท้ๆสั้นหลัดออกไม่ได้เด้วยข้อปฏิบัติทของเรานั่นคือปณานจุดเอื้อมไปไหนพปณิพานอยู่ที่ไหนเปิดเอาที่เหมือนอย่งสถานที่มันโลกปรุงรังอยู่ตรงไหน ทาเทา้าเฮ้ยอะไรปกคุมมันทาเทา้าสิ่งที่ปกคุมนั้นออกอืมแต่เป็นต้นไม้ใบายากเอาท า, ทาออเท้าออกไฟเผาไปความเปลียนโลกไปหามาที่ไหนมันสูดเอื้อมหรือความเปลียนโลกนั้นมันก็อยู่ใต้ความรอบกุ่มแรงนั่นเองพอเปิดนี้ออกแล้วความเปลียนโลงก็อยู่ได้นั่นมันทราบว่ามีอยู่ตั้เมื่อไหร่อืม มีที่เปลี่ยนโ่งก็เหมือนการแล้วนั้นถูกปกคลุมหุ้มห่อโดยความลบปริลังคือที่เหลตหลายปร ะ, ประเภทต่างๆต้องใช้ความพยายามเหมือนกับการถาการถ า, างกินลบปริลังออกจากสถานที่ที่ว่าลบปริมาณนั่นแหละอุบายวิธีการแห่งความเปลี่ยนทุกประเภทเป็นอุบายถากถางเพื่อจิตจะได้เตียนลงไปเตียนลงไปจนกรทั่งเตียนร่งเต็มที่สุดเอื้องที่ไหนขึ้นนันก็อยู่ที่ตรงนั้น อยู่ที่ไหนอย่าไปคิดเรื่องการนุ่นสถานที่นี้ให้เสียวเวลาเวลาถูกหลอกถูกต้มไม่เหลือมันลากออกจากของกรินความกิงของกสุตรที่มีใ น, ในใจของเราอไปอยู่ที่นู่นไปอยู่ที่นี่บ้าง ม, มันหลอกไปอืหมดเขตุหมดสมัยบ้างอมะขุนนิพานหมดเขตุหมดสมัยหมดสําหรับโมคาบุไม่มีความสามารถ หมดอยู่ทุกสมัยนั่นแหละอย่าว่าสมัยนู้นสมัยนี้เลยปัจจุบันก็หมดถ้าเจ้าของไม่ลื้อฟื้นเจ้าของใครจะมาลื้อฟื้นให้มันทันสมัยล่ะขี้เหล่มันทันสมัยตลอดเวลาไม่เห็นมันล้าสมัยทําที่จะมาแก้ขี้เหล่อมก็อยู่ด้วยกันทําไมจะล้าสมัยไปถ้าเราว่าเป็นคนล้าสมัยซะเองเนี่ยเอาลงตรงนี้คือวิธีแก้ขี้เหล่อมทุบแทงต่อสู้ขี้เหล่อมันต้องใช้ ร้อยสันพันคมเหมือนกั น, นไม่งั้นไม่ทันกันนี่เคยเป็นมาแล้วความเชื่อความสงัยศาสนาเนี่ยชื่อพอได้อา่านอัดธรรมก็เชื่อลงไปดำๆนะผลสุดทาาษษษษษษษ้ายเวลาจะปฏิบัตินั่นก็ยังต้องสงสัยยังต้องคิดถึงครูถึงอาจารย์องค์ใดที่มีความสามารถแนะนำหรือบอกความจริงให้เราฟังอย่างถึงใจเราจะกราบ ว, ว่าถวายตัวเป็นทุก จิตทั้ท่านตลอดวันตายเลยแล้วจะเอาให้เต็มที่เลพอไปฟังท่านอาจารย์มั่นอธิบายแลนะไม่มันถึงใจจุใจบางที่เราคิดไว้ทั้งหมดมันมันจิตทั้งท่านเป็นเหมือนเลยด้านจับเอาไปไวหมดเลยแล้วลากเรื่องของเราออกมาให้เห็นให้เราดูนี่หนะนี่ไหนสงสัยไปในมรรคผลนิานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนเนี่ อยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ย่ำลงย่ำลงก็หมดแล้วี่สงสัยค้นไม่ได้การได้ยินได้ฟังจากผู้รู้จริงเห็นจริงมีกำลังมากนะคิดกับที่พูดแบบนุน่นดาวดาวเกาหมักเป็นไหนไหนเป็นกำลังทางจิตใจมากอ่านธรรมปยาอธิบายหมู่เพื่อนฟัง